เคือว่ามันกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายแล้วก็เห็นแบบตั้งใจกับอยากเห็นจงใจไปรู้แล้วก็เผลอมากเผลอคิดก็เยอะแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าเรากลับไปเห็นว่าเราเผลอแต่มันเหมือนจงใจอยากจะรู้อยากจะทำอนะค่ะอืมดีที่พูดมาดีทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเห็น เราเห็นใจมันปรุงแต่งเช่นมันอยากจะคิดอยากทําที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าเสียเวลาแล้วก็อยากให้ดีกว่านี้อยากดีกว่านี้นั่นแหละมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งชื่อว่ากุ ก, กุฏ จ, จกักกุกนะุฏจ้านั้นมันอยากดีไม่อยากจะชั่วอยากดีแลนะดิ้นดินดินที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้ว เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมมันทํางานได้เองเห็นไหมมันไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลานี่แหละดีภาว่างานที่ทําอยูอ่คิดเองว่ามันไม่เอื้อต่อการปฏิบตัติแล้วก็ทําให้ล่าชา้าแต่ก็ฟังหลวงพ่อหลายทีหลวงพ่อก็เคยทํางานซึ่งลําบากแล้วก็หนักเยอะวุ่นวายเหมือนกันคือตอนนี้ที่เพิ่งทําอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วทั้งๆที่ทํางานที่ว่าไม่ดีนี่แหละ ใช้ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะมันอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้มันไม่ดีสมใจแต่เราตามเห็นความไม่ดีทั้งหลายเช่นความจงใจปฏิบัติความไม่ตั้งมั่นของจิตความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ใช่ได้แล้วที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีให้รู้อนเดียวตัวที่มีปัญหามีอันเดียวใจไม่ตั้งมั่น ให้รู้รู้สึกไหมมันรู้นอกๆให้รู้ทันว่าใจไปรู้นอกๆไม่ต้องดึงนะอย่าไปดึงเข้ามาแต่เวลาหลงนี่คือมันมากมายเลยอะอ ม, มันไม่ได้อย่างใจใจเราอยากได้อย่างนี้มันเป็นอีอย่างถ้ามันได้อย่างใจเราจะเข้าใจผิดละตัวนี้เป็นกิเลสชื่อว่ากุกุจจับกุกุจจะเป็นความร้อนใจ ว่าสิ่งที่ดีๆนี่ยังทำไม่สาเร็จยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ดีพอทำได้น้อยไปนี่ชื่อกุกขุจะนะเป็นกิเลสกุกขุจะอีกด้านหนึ่งก็คือไปทำไม่ดีมาแล้วก็วนคิดซ้ำอยู่งั้นนะนั่นก็ก ja ุกกุจะคือของที่ทำไม่ดีไปแล้วนะี่เอามาคิดซ้ำนี่ย่ำยีตัวเองไปอีกอันหนึ่งก็ของดีๆยังไม่ได้ทำกลุ้มใจ เร่าร้อนใจเป็นความเร่าร้อนเพราะความชั่วที่ได้ทำแล้วเป็นความเร่าร้อนเพราะความดีที่ยังไม่ได้ทำชื่อกุกุฏจจะใค้รู้ทันนะกิเลสตัวนี้เป็นกิเลสของคนดีถ้าคนชั่วไม่เดือดร้อนหรอกทำชั่วก็ทำไปใช่ไหมไม่เดือดร้อนคือเคยชินที่จะชั่วก็ชั่วเรื่อยๆไม่เดือดร้อนเพึ่งไอ้กุ้งเป็นไงกุ้งหลงเยอะอ หลงบางครั้งก็หลงนะก่อนที่จะคุยกับหลวงพ่อใจก็ใช้ได้ตอนนี้ใจออกนอกอะหรวอออกไหมใจไม่ตั้งมั่นหรือออกไหมไม่ตั้งมั่นแล้วก็ช่วงก่อนนี่คือไม่สบายมากคือปวดหัวทุกวันมาเดือนหนึ่งแล้วค่ะก็ปวดหัวก็ไปหาหมอหมอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอแต่ว่าใจของเราเราต้องรักษาเองหลงบ่อยแต่ว่า ช่วงนี้ก็สติเกิดเองไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยต้องไม่ทิ้งการทำในรูปแบบนะการทำในรูปแบบนะี่สำคัญถ้าเราทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะัใจจะฝ o ไปเรื่อยๆขี้เกียจขี้ค้านไปเรื่อยๆแล้วก็สติเกิดน้อยต้องซ้อมนะเหมือนนักมวยเป็นแชมป์โลกก็ยังซ้อมชกกระสอบชกอะไรชกลมต้องซ้อมทุกวันนะนักปฏิบัติก็ต้องซ้อมให้เกิดสติ ทำกรรมฐานอันหนึ่งที่เคยทําแล้วสบายมีคําว่าแล้วสบายด้วยนะถ้าทํากรรมฐานแล้วไม่สบายก็เปลี่ยนซะไม่ถูกจริตถ้าทำแล้วอื่นอัดแสดงว่าทําผิดแต่ถ้าเราเคยทํากรรมฐานอะไรแล้วสบายเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วสบายเราก็มารู้ลมหายใจถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วสบายเราดูท้องพองยุบอะไรก็ได้พุโทโธแล้วสบายก็ดูพุโทโธขยับมือสบายแล้วก็ขยับมือไป กรรมฐานอะไรก็ได้สักอันหนึ่งล้วก็ทําทุกวันนะทำแล้วก็หัดสังเกตจิตใจของเราเช่นเราพุทโธหรือเราหายใจหรือเราดูท้องพองยุบใจหนีไปคิดให้รู้ทันว่าจิตเราหนีไปคิดแล้วให้รู้ทันสภาวะไปเรื่อยๆดูลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไปเพ่งลมจิตไปเพ่งท้องรู้ทันว่าจิตไปเพ่งละดูท้องพองยุบไปพุทโธไปหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุข สรุแล้วก็คือทํากรรมฐานอันนึงขึ้ น, นมาแล้วหัดดูใจไปจิตใจนี่จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาให้คอยตามดูไปเรื่อยๆการที่เราตามดูบ่อยๆมันทําให้จิตจําสภาวะแม่นเมื่อจิตจําสภาวะแม่นสติจะเกิดบ่อยสติเป็นอนัตตานะไม่มีใครสั่งให้เกิดได้ถ้ามีเหตุคือมันจําสภาวะได้แม่นสติจะเกิดบ่อยนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะในคำภีร์ของเรามี การที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเนี่ยภาษาแขกสาบาลีเรียกว่าธิระสัญญาถอถุงสลอิรอเรือธิระสัญญาจิตมันจำได้แม่นเพราะมันเห็นบ่อยมันเห็นบ่อยเพราะเราฝึกไว้เราขยันดูนะทในรูปแบบควรจะทาทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ทสมาธิเดินจงกรมภาวนาในรูปแบบแล้วก็หัดดูสภาวะมันจะทาให้เราแม่น พอเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันสติจะเกิดบ่อยไม่หลงยาวถ้าเราทิ้งรูปแบบไปเลยเรายังเดินไม่เก่งนะมัอนข้ามสะพานไม่มีราวสะพานก็ตกน้ําแต่ไม่ใช่ไปเกาะราวสะพานน ะ, ะเดินแล้วเกาะราวสะพานมือไม่ยอมปล่อยเลยเดินไม่ได้นะคนที่ทําได้มีคนเดียวคือแม่นาคข้าขนงมือมันยังจับอยู่ที่เดิมตัวมันไปได้คนอื่นทําไม่ได้เงินเราก็ไม่ได้ไปจับ อารมณ์ไวจนแน่นไม่ให้จิตเคลื่อนอย่างนั้นไม่ได้ไปไหนไม่รอดเราจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยหมายถึงว่าเราซ้อมซ้อมดูลมดูท้องอะไรเนี่ยแล้วก็หัดดูสภาวะไปเสร็จแล้วมาอยู่ในชีวิตจริงๆไม่ต้องไปสนใจลมสนใจท้องแนะใช้ชีวิตจริงๆเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสเมื่อใจคิดเกิดความรู้สึก เปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในใจนะสติจะเห็นเองอย่างเราเดินเดินอยู่มองไปฝั่งนูน้นถนนเห็นเพื่อนเดินมามันดีใจเลยเห็นความดีใจโผล่เห็นเองนะไม่ได้เจตนาเห็นนะเห็นความดีใจฝุดปุ๊บขมาเมื่อกี้ไม่ได้ดีใจตอนนี้ดีใจนี่จิตไม่เที่ยงนะเมื่อกี้เฉยๆตอนนี้ดีใจดีใจแล้วไปคุยกับเพื่อนอยากไปคุยกับเขานี่เห็นความอยากไปคุยกับเขา คุยไปคุยมามันขัดคอโมโหไหมหดีใจเปลี่ยนเป็นโมโหและรู้ทันฝึกอยู่อย่างเงี้ยฝึกในชีวิตธรรมดานะชีวิตธรรมดานี่แหละสำคัญที่สุดถ้าคนไหนไม่สามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยยังไกลต่อมรค น, นิพพานเพราะว่าเวลาที่เราทำกรรมฐานวันหนึ่งวันหนึ่งมีไม่มากเท่าไหร่หรอกที่ทำในรูปแบบเวลาส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกนี้แหละ ถ้าเราสามารถยืนเดินนั่งนอนอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองได้เป็นระยะระยะนะสติเกิดได้ทั้งวันคือปฏิบัติทั้งวันหลวงพ่อเป็นฆราวาสหลวงพ่อก็ปฏิบัติด้วยวิธีนิ่งคือดูจิตใจตัวเองจะมานั่งสมาธิทั้งวันอย่างตอนอยู่ไปบวชแล้วมานั่งอยู่ในวัดนะนั่งสมาธิได้นานๆเดินทจงกลมนานๆอยู่แต่ในรูปแบบเป็นฆราวาสเป็นทําไม่ได้ทําไม่ได้เมื่อต้องฝึก ให้สามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เฉพาะตอนทําสมาธิทําในรูปแบบอนะไรอย่างนี้ชีวิตเราจะแยกเป็นสองส่วนชีวิตส่วนหนึ่งเป็นเวลาปฏิบัติชีวิตส่วนใหญ่เป็นเวลาไม่ได้ปฏิบัติเงั้นเหมือนเราพายเรือนะทวนน้ําไปเราพายไป5นาทีแล้วก็นอนสักชั่วโมงหนึ่งนะมันจะไม่อยู่ที่เก่าอ่มันจะไหลลงไปต่ำกว่าเดิม พระพุทธเจ้าถึงบอกธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำอย่าประมาทเชยนะไหลลงต่ำเร็วมากเลยเรานึกว่าเราแน่เราแน่เราแน่เผลอแวบเดียวลงต่ำถอยไม่ได้นะ ต, ต้องสู้มีสติในชีวิตประจำวันตามดูกายตามดูใจตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนตอนค่ำมีเวลาเนี่ยต้องทำในรูปแบบอย่างน้อยหนึ่งครั้งต้องทาให้ได้ ชาวพุทธนะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมวันละครั้งนะทำไมทาไม่ได้มุสลิมละหมาดวันละห้าครั้งเขายังทำได้เลยวันละห้าครั้งนะของเราหนึ่งครั้งไม่ได้ต้องสู้นะกิเลสมิจพาขี้เกียจถ้าเราทำในรูปแบบทำความสงบมาดูกายดูใจหัดดูสภาวะไปจิตใจหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งสัน้น จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตโลภโกรธหลงคอยตามรู้เรื่อยๆนะการทําในรูปแบบนี้เราตัดการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก่อนมาเหลือแต่การทํางานทางใจอันเดียวนะเช่นเรามาหายใจเข้าหายใจออกใจเราหนีไปเรารู้ทันใจไปเพ่งรู้ทั น, เ, นเรารู้ทันการทํางานทางใจอยู่ที่เดียวเลยนะแต่อย่าไปเพ่งใส่จิตนะอย่าไปเพ่งใส่จิตใส่ใจให้เขาทํางานไปเรามีหน้าที่แค่ตามดูไปเรื่อยๆ ดูท้องพองยุบไปก็ดูจิตใจเขาทางานไปเดี๋ยวเขาก็ไปคิดนะคิดกระทั่งคําบริกรรมนะบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอนี่ก็คือการคิดนั่นเองก็ให้รู้ทันว่าจิตนีไปคิดหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันแล้วก็ไปเพ่งใส่ท้องเราก็รู้ทันนีห่หัดรู้สภาวะนะต่อไปเวลาเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยจิตจะขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวอะไรนะเห็นหมดเลยเห็นอัตโนมัติพวกเราเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานหรือ อ๋อไม่ใช่ก่อนที่จะปิดก่อนวันซื้ออีกวันวันสุดท้ายที่หลวงพ่อเปิดแล้วหยุดมาสองวันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาชื่อโอค์นะชื่อโอง่งหุ่ก็เหมือนองค์จริงๆภาวานานเก่งมากเลยบพราะเขาไม่ได้ทําอะไรแต่กระทั่งเขานอนหลับนะจิตมันฝันเขายังรู้เลยแล้วเขาพบว่าความฝันก็คือความคิด น, นั่นเองพอไม่ดีปุ๊บขาดจะบ้านเลยนะ เขาจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเขารู้ทั้งคืนเลยใจเขาไหลไปคิดในความฝันนะไหลแว บ, บรู้สึกเลยนะมีแต่าขาดปับ๊บป๊บ ป, บปบนี่แค่กลางคืนนะไม่ต้องพูดถึงกลางวันเลยทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลยฝึกหัดมีสติอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละถึงจุดหนึ่งนะยังมีสติได้ทั้งวันทั้งคืนนะตรงที่นอนไปแล้วยังช่วยตัวเองได้มีสติขึ้นมาช่วยตัวเองได้นี่สาคัญนะ มันเป็นเองมันเป็นผลกับการที่เราฝึกเจริญสติตอนกลางวันเราจะไว้ใช้ตอนจะตายเนี้ยความรู้อันนี้จะใช้ตอนจะตายเวลาที่เราจะตายจิตมันจะตัดความรับรู้กายออกไปก่อนนะมันจะไปรู้อยู่ที่ใจอันเดียวเราจะมาทำกรรมฐานที่กายอันเดียวระวังก็แล้วกันนะกายหายไปแล้วจิตสุดท้ายไม่มีกายนะเนียทำยังไงทำกรรมฐานอะไร ถ้าฝึกจนชำนิชำนาญนเข้ามาที่จิตอัตโนมัติให้ได้เวลาคนเราจะตายมันจะเกิด น, นิมิตอันหนึ่งเรียกว่ากรรมนิมิตนิมิตถึงสิ่งที่เคยทำอีกอันหนึ่งเรียกว่ากรรมมารมณ์กรรมนิมิตเนี่ยมันจะไป น, นิมิตถึงเรื่องราวที่เคยทำอีกอันหนึ่งเรียกคตินิมิตมันจะเห็นที่ไปข้างหน้ามีสามอัน มีกัมมอารมณ์กัมมนิมิตอารมณ์สตินิมิตอารมณ์สามันรวมกัแล้วก็คือมันฝันนั่นเองฝันไปถึงเรื่องราวที่เคยทํามาในอดีตเช่นคนหนึ่งหลวงพ่อเคยรู้จักเป็นพ่อของเพื่อนใจดีนะตอนหนุ่มๆเพื่อนมาบ้านทุกวันเลยมาสีซอกันเล่นปีพาดเล่นสีซอทุกวันจะสั่งลูกน้องเชือดไก่บรรณาตัวเลี้ยงเพื่อนเวลาจะตายเนี่ยเกิดนิมิตเห็นไก่ ไก่มารออยู่ข้างหน้าแล้วบางทีก็เห็นที่ไปข้างหน้าที่จะไปเกิดเกิดเห็นไฟท่วมขึ้นมาเลยจะไปเกิดแล้วในที่ไม่ดีแต่ถ้าหากฝึกสติไวชนชำนาญ น, นะพอเห็นไก่ปุ๊บใจมันย้อนดูจิตเลยมันเคยชินที่จะฆ่าไก่พอเห็นไก่ปุ๊บแหมมันอยากเชิดคอขึ้นมาสติเกิดปั๊บเลยอยากฆ่าไก่เห็นปั๊ บ, บนิมิตนั้นดับ ไม่ไปเกิดเป็นตรงนั้นละหรือฝันไปเห็นนรกนิมิตไปเห็นนรกปุ๊บกลัวสติะระลึกถึงความกลัวปับขาดเลยนรกดับไปเลยนะทุกคนสร้างนารกของตัวเองนะทางใครทางมันเมื่อ น, นรกไม่เคยเต็มอย่าเล่นเล่นนะไม่ใช่ของหลอกเด็กนะอย่าเล่นเล่นนะตอนยังไม่รู้ไม่เห็นพยอง เขารู้เห็นก็คล่ำครวนช่วยอะไรกันไม่ได้เป็นภูมิที่ช่วยไม่ได้แล้วนะเป็นภูมิที่ช่วยไม่ได้ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้เลยถ้าเป็นเปลย์ยังช่วยได้เนี่ยเราจะถ้าเราฝึกสติไว้ดีนะตอนนี้มิดไม่ดีเกิดก็ขาดเราจะตื่นขึ้นมาจะไปสู่สุขตินั้นสำคัญนะฝึกสติในชีวิตประจาวั น, นจนมันอัตโนมัตินะกระทั่งหลับมันก็ทำงานได้สติปัญญา เราฝึกเอะไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะอย่างคนชื่อโอง่งนี่มาฝึกที่นี่เองนะหลวงพ่อเปิดบ้านมาครึ่นเปียงนะแล้วมีคนที่ทําอย่างนี้ได้เยอะแยะไม่ใช่มีคนเดียวแต่คนเคยทําได้ถ้าท้อถอยขี้เกียจแป๊บเดียวนะเพื่อนแซงหมดนะ <c oughs> เพื่อนแซงจริงๆเราไม่ได้แข่งกับใครอะแข่งกับกิเลสตัวเองกิเลสมันแซงไปหมดจริงๆแล้วธรรมะไม่ได้ยากเลยนะ ศา ส, สนาพุทธแล้วอย่าให้เสียโอกาสได้พยายามภาคเพียนทุกวันไม่พระสวดมนมต์ทาสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบเนี่ยเคยทํากรรมฐานอะไรเอาอย่างนั้นแหละถ้าทำแล้วสบายนะถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาเปลี่ยนซะเช่นถ้าเราพุโทโธพุโทโธเราเครียดเราก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นเราร่วมลมหายใจแล้วเครียดเราก็เอาอย่างอื่นดูท้องผ่องยุบแล้วเครียดเราก็เอาอย่างอื่นกรรมฐานมีถมเทปไปนะ กรรมฐานอย่างนี้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไร mm hmm. เป็นแค่จุดตั้งต้นที่แตกต่างกันเท่านั้นเองกรรมฐานอะไรก็ได้เ mm hmm. บื้องต้นะทําักอย่างหนึ่งแล้วก็มาหัดรู้สภาวะไว้พอจิตจําสภาวะได้สติเกิดเองทันทีที่สติเกิดเองจะไม่มีคําว่าสายไหนสายไหนแล้วนะไม่มีแล้วสายกายสายเวทนาสายจิตนะมีแต่สายไปแล้วเธอไม่ทำนะถ้ามีสติแล้วก็ไม่สายไปแล้ว ให้ดูเข้ามานะบางทีสติก็รู้กายบางทีสติรู้เวทนาบางทีสติรู้จิตเลือกไม่ได้นะมันจะเวียนอยู่ในกายในจิตนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมมันเวียนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าสติจ ะ, ะระลึกรู้อะไรเพราะสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เหตุนเบื้องต้นที่เราทําในรูปแบบเนี่ยทำเพื่อให้จิตจําสภาวะได้เช่นหัดพุทโธแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้อะไรอย่างนี้ พอจิตจำสภาวะได้แล้วสติเกิดเพราะสติเกิดแล้วเลือกไม่ได้ละจะรู้กายหรือจะรู้ใจ ร, รู้เองแต่ไม่ว่ารู้อะไรนะถ้ารู้ถูกต้องด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้ารู้แล้วถล่มตามลงไปเช่นเห็นอารมณ์ไหวๆขึ้นมานะไปจ้องใส่มันน้ำมันหดเข้าไปตามดูลึกๆเข้าไปหาไตรลักษณ์ไม่เจอนะสติปัญญาไม่เกิดออก มีแต่สติหรอกแต่ว่าไม่มีปัญญาไปเพ่งเพ่งเพ่ ง, พงตามเข้าไปเรื่อยๆฉั้นจิตต้องตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูพวกเราหลายคนทํากรรมฐานมากมายนะจะสงสัยว่าทําไมมันไม่เกิดมรรคผล น, นิพพานตัวจริงเพราะมันไม่มีปัญญาห น, นึ่งไม่มีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามมันคิดแต่จะบังคับรูปนามเพ่งรูปเพ่งนามเพ่งรูปเดียวนะไม่ใช่ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทำไมไม่มีปัญญาเพราะจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่น จิตที่ตั้งมั่นสําคัญนะอย่างพระอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องคอยควบคุมบางวันจิตตามรู้กายตามรู้ใจมากข้ามากข้าจิตกระจิดกระจายออกไปนี่ต้องเพิ่มสมถะละเพิ่มความสงบให้ใจตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วขี้เกียจขี้คลานเนี่ต้องไล่อีกละให้ออกมารู้กายมารู้ใจเวลาทํากรรมฐานก็คล้ายๆเราขับรถยนต์นะบางเวลาก็เหยียบเบรกเ ทำสมถะบางเวลาเหยียบคันเร่งเจริญปัญญารถมันถึงจะไปถึงที่หมายได้แล้นเราคอยดูนะคอยดูกายค่อยดูใจไปด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูหลายคนทำมาหลายปีทำไมไม่ได้ผลหลวงพ่อยกตัวอย่างนะอย่างตอนนี้ฝึกพองยุบเยอะฝึกพองยุบเราเห็นท้องพองท้องยุบนะถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราจะไหลไปตั้งอยู่ที่ท้อง จิตไปตั้งอยู่ที่ท้องเรียกว่าไปตั้งแช่ไม่ใช่ตั้งมั่นมันเข้าไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์จิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะอยู่ต่างหากจากอารมณ์มันจะเห็นเลยร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบเป็นของถูกดูจิตอยู่ต่างหากต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นก่อนจะเกิดวิปัสสนาญนะาณญาณตัวแรกเลยก็ เ, เรียกว่านามรูปอริเฉยทญาณ น, นามรูปอริเฉยทญาณคือแยกรูปกับนามเห็นเลยเห็นท้องมันพองท้องมันยุบไปใจเป็นคนดูอยู่ต่างหาก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 จิตต้องตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์สักว่ารู้อารมณ์อยู่ต่างหากจากอารมณ์นี่เป็นอันหนึ่งไหลเข้าไปรวมแช่อยู่กับอารมณ์เป็นอีกอ<า>ันหนึ่งนี่พวกเราส่วนมากจิตไหลเข้าไปแช่อยู่กับอารมณ์ไม่มีปัญญาจริงหรอกเกิดปัญญาไม่ได้มันแช่ไปด้วยกันมันยกตัวอย่างให้ฟังนะคล้ายเราถ้าเรายืนอยู่บนบกริมคลองริมแม่น้ําเราอยู่บนบก เ, เราไม่ได้ตกน้ําเราจะเห็นเลยในน้ําเดี๋ยวก็มีอน้นทลอยมานี้ลอยมา เดี๋ยวกอผักตกลอยมาเดี๋ยวท่อนไม้ vale ลอยมาเดี๋ยวหมาเน่าลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปเพราะว่าเราอยู่บนบกแต่ถา้าเราตกลงในน้ําเรารอยไปกับมันนะก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นเห็นมันอยู่ทั้งวันดูท้องก็เห็นท้องมันอยู่ทั้งวันนั่นแหละมันลอยไปด้วยกันดังนั้นต้องเป็นคนดูอยู่ทางหากนะอย่างสายอภิธรรมอาจารย์แนบก็ชอบสอนต้องเป็นคนดูละครนะเป็นคนดูละครอย่าโดดเข้าไปในเวทีละครถ้าพูดสมัยใหม่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 ก็จะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นกุศลอกุศลล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาถึงจะเกิดเนั้อสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแปลกปลอมขึ้นในกายในใจสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการไปรู้อารมณ์ไม่ถลําลงไปปัญญาก็จะเห็นความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา นี่สติสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันอย่างนี้นะนึงจะเกิดมรรคเกิดผลได้ทำไมเกิดมรรคเกิดผลได้เพราะว่ามีปัญญาแก่รอบแนละ้วมีสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมานะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยพร้อมมูลขึ้นมานะอริยามรรคถึงจะเกิดตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งน้อยกระพร้องกระแพล้งไม่เกิดหรอกเนะนี่ยต้องมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นนะ ถึงจะเห็นความจริงของกายของใจฟังเหมือนยากนะแต่ง่ายเริ่มต้นอย่างที่บอกทากรรมฐานที่เคยทำไปพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พองยุบก็ได้นะอะไรก็ได้แต่กรรมฐานที่ไม่ดีมีอยู่เหมือนกันคือกรรมฐานที่ดูออกไปข้างนอกกรรมฐานที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราเองเช่นเราไปนั่งเพ่งไฟอะไรเงี้ยเพ่งเทียนเพ่งอะไรนะ เวลาเราไปรู้ใจเราสงบมั้จะไปสงบแนบอยู่ข้างนอกได้นิมิตได้อะไรนะมีอิทธิริศปาฏิหารใจมันสว่างอยู่ข้างหน้าอยากรู้อยากเห็นอะไรนะเอาแสงเนี้ยฉายออกไปตามแสงไปดูได้ไปเที่ยวได้แต่มันไม่ย้อนมาดูกายดูใจตัวเองกรรมฐานอย่างนี้ไม่ค่อยดีดีแต่แค่สมถะต่อขึ้นนี่ปรัศนย า, ากแล้วกรรมฐานที่เกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่ดี มันจะต่อวิปัสสนาง่ายเพราวิปัสสนาคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสังเกตใจเรานะนั่งฟังหลวงพ่อพูดใจเราทํางานตลอดเวลาดูออกไหมคนที่มาเก่ามาใหม่ก็ตามทีเถอะสังเกตไหมจิตใจของเราแอ บ, บทํางานตลอดเวลาเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อพูดนะเดี๋ยวก็หนีไปคิดถ้าไม่หนีไปคิดก็เพ่งอาไว้ เพ่งเพ ง, ง, งนะบางคนเพ่งจนซึมไปเลยโมหะแทกงง่วงง่วงเหงาเงาซึมซึมอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะขี้เกียจขี้คลานนักปฏิบัติต้องเป็นนักต่อสู้นะขี้เกียจขี้คล้านนั่งภาวนาแล้วเคริม้มงอแงงอแงจะได้อะไรก็ได้ขี้เกียจนั่นแหละสะสมความขี้เกียจเนี่นั่งสมาธิอะไรนี้ก็ต้องมีสติอย่าให้ขาดสายสติสําคัญที่สุดนะขาดสติเมื่อไร่จิตเป็นอกุศลเมื่อ น, นั้นเลย ต้องมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆถ้ามีสติไปรู้อย่างอื่นก็ได้สมถะถ้ามีสติรู้กายรู้ใจเป็นมิปัสสนาถ้ามีสติเพ่งกายเพ่งใจก็เป็นสมถะเหมือนกันรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันเพ่งอยากเข้าไปแนบเข้าไปแช่ไว้รู้จะสักว่ารู้สักว่เห็นอยู่ห่างๆหลวงพ่อดูดูพวกเราหลวงพ่อรู้จักนักปฏิบัติมากนะก่อนจะบวชเนี่ยชบตะเวนไปดู ปฏิบัติทั้งหลายสํานักโน้นสํานักนี้ไปดูก็ภาวนาเลยเห็นจุดอ่อนหลายเรื่องเลยบางแห่งไม่รู้จักว่าจะต้องรู้กายรู้ใจหลายแห่งเลยไม่ได้สอนให้รู้กายรู้ใจเลยมันแต่สอนให้รู้อย่างอื่นเช่นให้รู้ความว่างภาวนาแล้วก็กําหนดความว่างไว้นะไม่คิดไม่นึกนะว่างลูกเดียวได้อะไรได้สมถะนะแล้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ความว่างนี่แค่อารมณ์ของกรรมฐานก็ผิดแล้ว สำนักนี้สูงสุดทําได้แค่สมถะนะสำนักอย่างนี้เพ่งแต่ความว่างบางแห่งก็พยายามกําหนดนะพยายามบังคับให้สติเกิดเดินจงกรมกระแทกเท้าแรงๆต่อไปหมอนรองหัวเข่าก็แตกนะพิกลพิการไปหวังว่ากระแทกแรงๆแล้วสติเกิดสติไม่ได้เกิดเพราะบังคับให้เกิดสติเกิดเพราะจิตจําสภาวะได้ต่างหาก เนี่ยไม่ได้เรียนให้ดีนะะคิดเอาเองว่าเดินกระแทกกระแทกแล้วไม่ไม่ขาดสติความจริงแค่คิดจะกระแทกอยากจะกระแทกนั่นก็ขาดสติไปเรียบร้อยแล้วอยากปฏิบัติก็ขาดสติเรียบร้อยแล้วความอยากมันเข้าครอบงำหลายคนพอรู้รูปรู้นามแล้วแทนที่จะรู้ตามความเป็นจริงก็เข้าไปแทรกแซงนะเช่นพอเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็รีบแผ่เมตตาเลย เห็นความโกรธเกิดขึ้นรีพุทโธพุทโธโกรธนอโกรธนออะไรเงี้ยหวังจะให้ความโกรธหายไปนี่ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาเนี่ยเราต้องเรียนให้เห็นเลยเมื่อกี้ไม่ได้โกรธตอนนี้โกรธความโกรธมีเหตุก็เกิดความโกรธหมดเหตุก็ดับไปความโกรธเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้มันจะเกิดใครยังไปห้ามมันไล่มันก็ไม่ไปนี่เรียนเพื่อให้เห็นว่าความโกรธเองก็เป็นไตรลักษณ์นะจิตใจที่โกรธก็เป็นไตรลักษณ์เรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนา อย่างความโลภเกิดขึ้นหรือราคะเกิดขึ้นพิจารณาสุภะก็ดีเหมือนกันนะแต่เป็นสมถะเป็นการแก้อาการหรือโลภหนอโลภหนอบริกรรมบริกรรมไม่ใช่วิปัสสนานะีบริกรรมเป็นการคิดไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาพ้นจากการคิดมิปัสสนาคือรู้รู้กับคิดนี่คนละดวงกันนะจิต ค, คนละชนิดกันที่ไปรู้กับจิตที่คิด ถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติโดยการเข้าไปแทรกแซงเรื่อยๆเนะช่นโกรธขึ้นมากำหนดโลภขึ้นมากำหนดนะนานๆเราจะรู้สึกว่าเราบังคับจิตได้จะรู้สึกคึกคักข้าวหารนะไม่กลัวกิเลสและกิเลสมาทีไรกำหนดแล้วจอดหนดทุกทีเลยจิตนี้เป็นอัตตาขึ้นมานะนะได้พอกพูนความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งบังคับได้ขึ้นมานะจะไม่ใช่วิปัสสนานะ ศาสนาจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเห็นจิตแทนใจเขาทํางานขงเข้าไปเรื่อยเราบังคับไม่ได้เขาไม่เที่ยงเขาทนอยู่ในสภาวะอันแดหนึ่งนานๆไม่ได้ดูไปใจเห็นความจริงใจถึงยอมรับนะยอมรับแล้วนั่และมรรคผลมันจะเกิพดพระเจ้าถึงสอนว่าพราะรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงหมายถึงรู้รูปนามนะรู้รูปนามตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือไตรลักษนณะ์นั่นเอง รู้ว่ารูปนามตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายจอยรู้สึกไหมมันน่าเบื่อสุขก็น่าเบื่อนะทุกข์ก็น่าเบื่อนะดีก็น่าเบื่อชั่วก็น่าเบื่อนะอะไรอรก็น่าเบื่อหยาบก็น่าเบื่อละเอียดก็น่าเบื่อเพราะมันของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยเนี่พอะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดนี่มาจากภาษาไทยฟังแล้วแปลยาก ภาษาบาลีเรียกว่าวิราคะหมายถึงใจเราไม่เข้าไปผูกพันกับมันใจไม่เข้าไปผูกพันในความสุขเพราะรว่าความสุขชั่วคราวไม่ไปหลงยินดีว่ามันจะต้องถาวรอนอยากให้มันถาอรไม่มีอย่างนี้จะไม่ดิ้นรนเพื่อจะรักษาความสุขแล้วใจไปเห็นความทุกข์เข้านะก็ไม่ผูกพันกับความทุกข์ไม่ใช่คิดว่าความทุกข์เป็นตัวเราของเรานะเราต้องไปหาทางละ ใจมันจะเข้าไม่เข้าไปผูกพันกับสภาวะที่มันไปรู้เข้าใจมันคลายออกเพราะรู้ตามความเป็นจริงก็เลยเบื่อหน่ายเพรเบื่อหน่ายเลยคลายกำหนัดคือคลายความผูกพันคลายความรักใคร่ในสภาวะอันหนึ่งเกลียดสภาวะอันหนึ่งเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรจากรูปจากนามนั่นเองที่ชมพูเห็นจิตมันเปกนว่าจิตขึ้นมามันไม่หลุดพ้นนะมันปล่อยไม่ได้ ถ้ามันเห็นความจริงจิตนี้ทุกล้วนๆนะมันจะทิงเนี่เพื่อมันเห็นไตรรักจีมแจ่มแจ้งนะทิ้งเลยทิ้งเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดก็ครคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นอะไรจิตหลุดพ้นจากความถือมั่นในขันนั่นเอนะจิตหลุดพ้นจากกิเลส ท, ที่ห่อพุ้มจิตที่เรียกว่าอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตจิตหลุดพ้นออกมาเนะพระหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้เลยนะรู้ด้วยตัวเองนะของมันเคยยึดเคยถือไว้หนักๆ น, น, นะ มันหลุดแล้วมันวางมันเห็นต่อหน้าต่อตามันวางจริงๆแล้วมันไปเห็นธรรมที่พ้นจากความเกิดความตายเนี่ยพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วก็วจะรู้ธรรมะที่ที่พ้นออกไปเรียกว่าวิมุติยานทัศนะรู้ธรรมะแห่งความหลุดพ้นรู้นิพพานนั่นเองแล้วก็รู้อีกนะว่าชาติสิ้นแล้วคือความเกิดสิ้นแล้วความเกิดคืออะไรคือการที่ใจเราเข้าไปหยิบฉวยรูปนามนั่นเอง ใจที่เราไปหยิบเวยจิตเนี่ยว้าปั๊บเข้ามาหยิบเวยเข้ามานี่แหละคือความเกิดคือชาติแหละใจเข้ามาหยิบเวยกายนี่ก็เกิดชาติใจหยิบเวยจิตก็เกิดชาติพอเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็หลุดพ้นรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะรู้ว่าชาติสิ้นแล้วไม่หยิบเวยอะไรขึ้นมาอีกแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยการศึกษาธรรมะศึกษาจบแล้ว ศึกษาจบแล้วจบในศีลในจิตในปัญญาศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญานะเราพูดเล่นคล่องคลงปากหรอกศีล ส, สมาธิปัญญาใรสิกขาคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาแจมแจ้งแล้วรู้หมดแล้ศีลเ น, นี่ยเป็นการศึกษาเพื่อสู้กิเลสห ย, ยาบหยัเพื่อให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นเพียงพอพร้อมที่จะมาเรียนรู้จิตหรือทําจิตตสิกขา จิตศิขาเนี่ยจิตจะสงบจากนิวรณ์จากกิเลส ช, ชั้นกลางนะพร้อมที่จะไปเจริญปัญญามันจะรู้ว่าจิตยังไงที่ขมนิวรณ์ได้จิตยังไงคมนิวรณ์ได้แล้วพร้อมที่จะเจริญปัญญาด้วยจิตที่ขมนิวรณ์ได้คือจิตที่ทำสมถะจิตที่คมนิวรณ์แล้วพร้อมจะเจริญปัญญาคือจิตที่พร้อมต่อการทำวิปัสสนาไม่เหมือนกันนะ พอถึงปัญญาศิกขาก็าคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนละกิเลสขั้นละเอียดคือความหลงผิดได้ละอวิชชาได้นี่ศีลจิสิกขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาเนี่ยชำระกิเลสเป็นชั้นๆๆเข้ามานะจนกระทั่งจิตใจเราบริสุทธิ์หมดจดแล้วหมดงานต้องทําเรียกว่าเรียนจบเรียกว่าจบหลักสูตรเรียกว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วหมายถึงว่าเรียนจบหลักสูตรแล้ว คนที่เรียนจบหลักสูตรเรียกว่าอเสขบุคคลคือคนที่ไม่ต้องเรียนอีกแล้วคือพระอรหันต์นั่นเองพวกเราเป็นนักเรียนนะพวกเรายังเป็นนักเรียนพระโสดาบันเป็นนักเรียนจริงๆพระโสดาบันเป็นนักเรียนพวกเราเป็นคล้ายๆนักเรียนเตรียมอนุบาลนะยังไม่ถึงขั้นเป็นนักเรียนเพราะพระโสดาบันขึ้นไปนี่ถึงจะเรียกว่าเสขบุคคลเป็นนักเรียนพระอรหันต์เรียกอเสขบุคคลไม่ต้องเรียน ส่วนเราเป็นกาลยาณนะปุถุชนเป็นปุถุชนที่ดีปุถุชนแปลว่าหนานะกิเลสหนานั่นแหละไม่ใช่อะไรหนานะกิเลสนะไม่ใช่สมองหนากโลห์หนานะกิเลสหนาหมายถึงว่ากิเลสเนี่ยมีแรงมากลากจูงจิตใจเราไปลงนรกเราก็ยอมไปกับมันนะเอาความหอมหวานมาหลอกมาลอ่อฉะั้นเราค่อยศึกษาไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งงานเสร็จแล้วงานเสร็จแล้ว ใจไม่ไปหยิบฉวยอะไรอีกแล้วมันพ้นทุกข์แล้วมเห็นนิพพานเต็มบริบูรณ์ต่อหน้าต่อตานี่พรอาจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจที่ควรทำเนี่ยควรทําในอะไรในสังสารวัตนี่เองพวกเราที่เวียนว่ายในสังสารวัตรนั้นะเรามีงานหลักของเรานะคือทําตัวให้พ้นสังสารวัตให้ได้นะนี่คืองานหลักของเรานะไม่ใช่ล่อนเร่ไปในสังสารวัตร <c oughs> เวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยเรนั่นงานไม่มีซีสิ้นสุดเล กิจที่ควรทําก็คือการข้ามภพข้ามชาตินี่หนึ่งได้ทําเสร็จแล้วทําหมดละกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรจะต้องทําแล้วกายกใจเราคืนให้ธรรมชาติคืนให้โลกเข้าไปละจิตใจจะมีแต่ความสุขนะมีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานท้าวอนอยู่อย่างนั้นนะ จะหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขล้วนๆ น, นะเพราะว่าจิตใจไม่ถูกขยำขยี้จิตใจของเราถูกผู้ยี่ผู้ยำนะผู้ยี่ผู้ยำด้วยตัวเองนี่แหลนะงั้นในพระไตรปิฎกนะสมัยก่อนหลวงอ่านพระไตรปิฎกพอมาถึงเวลามีท่านใดท่านหนึ่งบรรลุพระรอรหันต์อูอ่านแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างนี้บ้างสะใจเขารู้ตามความเป็นจริงียงเบื่อหน่ายนะ ร้อนเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วก็จะบอกว่าท่านองค์นี้ก็เป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งในพระศาสนาท่านรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีมันเป็นธรรมะที่ท่านแสดงออกมาด้วยความห้าวหาญของท่านเลยนะว่าชั้นเรียนจบแล้วนะงานชั้นก็ทําเสร็จแล้วนะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย น, นี้พระพุทธเจ้าบอกไว้นะบอกว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยท่านไม่ได้รักในความตายไม่ได้รีบร้อนที่จะตายเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้เกลียดขันลนะขันก็ส่วนขันสิท่านไม่ได้ไปเกลียดมันแล้วเพราะงั้นท่านไม่รีบตายนะไม่ใช่ว่าสรรเสริญความตายท่านไม่ได้ปลื้มปิติที่จะอยู่เพราะขันนี้เป็นตัวทุกข์นะขันของพระอรหันต์ก็ทุกข์นะนั้นท่านไม่ได้ปลื้มกับขันเลยครูบาอาจารย์ ในสมัยพุทธกาลอย่างพระมหากัสริเยเนี่ข้านก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังบอกจิตใจพระอรหันต์เนี่ยเหมือนคนหนุ่มคนสาวที่อาบน้ําสะอาดนะพรมน้ําอบน้ําหอมแต่งตัวสวยงาม เ, เสร็จแล้วเวลาจะออกจากบ้านก็คว้าหมาเน่ามาตัวกําลังเน่าเ ฟ, ฟ, ฟ้เนี่ยคล้องคอไปใจของพระอรหันต์ที่อยู่กับขันเนี่ยจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะไม่ปราบปรืมในการมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้สนรสญความตาย พระเจ้าบอกว่าท่านดำรงชีวิตยอยู่เหมือนคนที่ทํางานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้างรอรับรางวัลรางวัลที่รออยู่ข้างหน้ายังไงก็มาเพราะว่าทํางานเรียบร้อยแล้วนายจ้างนี้ไม่ขี้โกงนะถ้าเจอนายจ้างยุคนี้รอไปแล้วมันหนีไปล้ว <c oughs> นี่เราพาวนาถึงวันหนึ่งเราจะได้รับรางวัลได้รับค่าจ้างค่าจ้างของเราคืออะไรคืออนุ ป, ปาที่เสสนิพานนิพานที่สิ้นจากขัน ขันนี้ตัวทุกข์นะวันนึงโยนหมาเน่าทิ้งนั่นแหละโยนหมาเน่าทิ้งนิพานไม่ได้ศูนย์นะเข้าใจว่านิพานศูนย์แต่นิพานไม่ได้มีอยู่อย่างในสภาวะที่เราเข้าใจไม่ใช่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งนี่ธรรมะที่พระเจ้าสอนนะโอ้เด็ดขาดภาวนาไปมีแต่ความสะใจมันมากนะหลวงพ่อภาวนานะไม่ได้รู้สึกลําบาก รู้สึกมันน่าดูเลยตามรู้ตามดูทุกวันทุกวันนะแต่ตอนไหนดูแล้วเกิดกิเลสอยากบรรลุเร็วๆนะเอาแล้วคราวนี้มั่วแล้ะชักจะมั่วแล้วคราวนี้รู้สึกลําบากแล้วตอนบวชใหม่ๆนะก่อนบวชเวลาหลวงพ่อมนตรีหลวงพ่อมนตรีก็ให้กําลังใจหลวงพ่อชวนให้หลวงพ่อบวชบอกมาช่วยกันหน่อยศาสนาแย่แล้วมาช่วยกันหน่อย ตอนเวลาท่านบวชนะท่านก็อธิษฐานเลยบุญบารามีที่หลวงพี่ทำแล้วนะกับที่ของคุณทำนะขอให้รวมกันนะให้คุณถึงนิพพานวนะัยวัยน่าจะได้รีบมาสอนกันมาช่วยกันทางานอธิษฐานมาให้แหมใจเราเพื่อเขรมนะพอบวชแล้วเอาใหญ่เลยหลวงพ่อมนตรีนี่ชอบเดินจงกรมแล้วก็เดินทั้งวันทั้งคืนเลยนะเดินเตียดเดี่ยงเลยเดินสเนสืขาถ่างเลยนนะ เดินไปจนเหนื่อยเหนื่อยเหนะบ่ายวันหนึ่งเดินอยู่ที่ระเบียงกุฏิมองไปนอกวัดนะเห็นภูเขาสามลูกภูเขาสามลูกนี้เรียงกันสวยใช่ไหมช่องไฟมันได้พอดีเลยมองจากวัดที่หลวงพ่ออยู่ดูไปโอ้ยภูเขาไม่หนักฮะใจเรานี้หนักอึดเลยมันนึกขึ้นได้หลวงพ่อมนตรีก็เคยพูดประโมดการปฏิบัติง่ายนะมันง่ายนะ เคยก่อนนั้นไปกราบหลวงปู่สุวัสดิ์หลวงพ่อปู่สุวัสด์ก็บอกว่าการปฏิบัติมันง่ายนะง่ายแท้นอน่อนี่แต่เรามันโง่เองของง่ายๆเราไม่เห็นเองเรามองข้ามไปข้ามานี่เฉลียวใจดวงนี้ขึ้นมาการปฏิบัติต้องง่ายแต่ทําไมเรายากลําบากเหลือเกินะจิตใจของเราหามุนจี๋จี๋ติ้วติ้วติ้วจับเหนือจับใต้อะไรไม่ถูกแล้วมั่วไปหมดแล้วเครียดไปหมดล้ทําผิดแน่นอนทําไมทําผิดนะ่ะ พยายามไปเรียนแบบหลวงพ่อมนตรีท่านชอบเดินจะไปเดินตามท่านเอาละว่าทางใครทางมันหลวงพ่อลากเก้าอี้มาเลยนะนั่งมันเลยไม่เดินแล้วจะนั่งก็เราถนัดนั่งนี่นี่มีเคล็ดลับนะใครถนัดเดินก็เดินนะใครถนัดนั่งก็นั่งถ้าใครถนัดนอนก็นั่งนะนี่เป็นเคล็ดลับนะ ถ้าใครถนัดนอนแล้วนอนมันจะนอนในโรงเลยนะนั่งเขานั่งดูเขานี่นั่งดูไปเรื่อยวันไหนใจเล่าร้อนเกิดขุกุดจักเที่เรียกว่าขุกุดจักยังไม่ได้ทียังไม่ได้ทีไ ม, ไ, ทไม่จบสักทีทำไงจะได้จะดิ้นเกิดการดิ้นรนรู้ทันความดิ้นรนนะก็เลิกดิ้นไปรู้ทันมันไปเรื่อยมีแต่เรื่องรู้ทันทั้งนั้นเลยการปฏิบัติดูไปมันเหมือนเรากินข้าวนะ กินข้าวไปเรื่อยๆถึงเวลาอิ่มเขาอิ่มของเขาเองไม่ต้องไปทำสาออยกินไปร้องไห้ไปเมื่อไรจะอิ่มเมื่อไรจะอิ่มนะนั่นประสาทแล้วนะหรือรีบอัดเข้าไปใหญ่จะให้อิ่มมันไม่อิ่มแนละ้วมันจุกนะเดี๋ยวมันจะตายซะ ก, ก่อนงั้นต้องดูตัวเองนะแค่ไหนพอเหมาะพอควรทางใครทางมันดูตัวเองหลงพระชาก็สอนอย่างนี้มีพระไปถามท่านว่าควรจะฉันอาหารแค่ไหน มันจะนอนแค่ไหนบอกไปดูตัวเองว่าทําแค่ไหนแล้วพอเหมาะพอควรคือสติเกิดบ่อยเอานั้นแหละเพราะตัวสําคัญคือความมีสติต่างหากไม่ใช่ฟอร์มของการปฏิบัติไม่ใช่ต้องวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้นะตัวสําคัญคือความมีสติมีสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วก็มีปัญญารู้ความจริงของกายของใจจะพ้นไม่พ้นอยู่พวกนี้ไม่ใช่อยู่ที่ท่าทางนะ ไม่ใช่เดินสวยเดินต้องยกเท้าแบบนั้นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำนวนใครก็ไม่รู้บอกพวกโยธวาทิศจะบรรลุก่อนเพราะมันเดินสวยหรือว่าภาวนาก็โ ม, มเมลเองนะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์แทนที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะก็พยายามไม่ดูพยายามไม่ฟังพยายามไม่คิดนะปฏิบัติจะไม่รับรู้การกระทบอารมณ์นะถ้าการหลีกหนีการกระทบอารมณ์ แล้วบรรลุทำง่ายนี่ยคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราคนหูหนวกก็บรรลุก่อนเราเพราะว่ามันไม่มีายาตนะไปสองงานละถ้าเป็นโรคเรื่อนด้วยยิ่งดีใหญ่นะไม่รับรู้ทางกายไม่รู้มีดบาดยังไม่เจ็บเลยนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะเรามีายาตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเอามันมาทํางานกิเลสเนี่ล่ะไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปัญญาก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ พะงั้นลืมตาขึ้นมาดูโลกนะออกมาเรียนรู้ความจิตของโลกตามองเห็นแล้วใจของเราก็เพิ่มขึ้นมายินดียินร้ายมาเรามารู้ทันที่ใจเรานี่เปิดหูขึ้นมาฟังเสียงไม่ใช่หนีการฟังนะหูได้ยินเสียงแล้วใจมันก็เพื่อมวันไหวยินดียินร้ายรู้ที่ใจนี่ใจของเราไปคิดเกิดวันไหวยินดียินร้ายขึ้นมาเกิดกุศลอกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมารู้ทันออกมาในที่สุดเราจะเห็นเลย ทั้งยินดีทั้งยินร้ายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนะร่วนแต่ผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นปัญญามันเกิดตรงที่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นก็ผ่านไปปัญญาความรู้ของพระโสดาบันแค่นี้เองนะไม่ได้เยอะกว่านี้เราเรียนจนเฝือนะเรียนเฝือเหมือนกินอาหารเยอะจนท้องอืดฟังธรรมะมา ก, มากจนกระทั่งเฝือจับต้นชนปลายไม่ได้ จริงๆธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งไม่ต้องการเยอะนะต้องการนิดเดียวนี่ธรรมะมีมากเพราะคนมีมากมีหลายชนิดอเทศจนป่านนี้ละใครจะถามอะไรสองคนนี้ไม่ต้องถามสองคนนี้ผ่านไปอโอเคตอนนี้เขตก็ตามรู้ดูไปอะค่ะหลวงพ่อแล้วพอบางครั้งเราเห็นกิเลสมากๆแล้ว มันก็ยังไม่พ้นมันเหมือนว่าเราก็อยากที่จะไม่อยากมีอืเป็นอย่างนั้นอยู่อะคะ่ะนี่นเป็นกิเลสอีกตัวอ <c oughs> ชื่อกุกุจจากุกุจาเ <c oughs> นี่ยเป็นหมัดเด็ดของกิเลสนะเอาไว้ชก <c oughs> คนดี <c oughs> ไม่ชอบชั่วอยากดีใช่แล้วมันจะสอนกันขึ้นมาเองมันจะเกิดความไม่สบายใจมาอีกตัวมากเลยนะคะถ้ารู้ทันมันก็ มันก็รู้ทันน่ะก็รู้ทันไปแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็เป็นอนถ้ารู้ไม่ทันมันก็รู้ไม่ทันใช่ก็รเมื่อกี้บอกหลวงพ่อว่าถ้ารู้ทันก็รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็คือรู้ไม่ทันไม่ต้องเสียอกเสียใจรู้ไม่ทันแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวรู้เอาใหม่แต่โดยส่วนใหญ่ก็ก็มีความสุขเบาสบายสังเกตไหมจิตในขณะนี้มีโมหะด้วอตั้งแต่มาเลยค่ะเอจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะนะ ให้รู้อย่างที่เป็นไม่ต้องแก่ทำไมหลวงพ่อว่าไม่ต้องแก้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่จ้าสอนดูก่อนพิสูจทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะรู้ว่ามีโมหะหมายความว่างไงมีนัยยะหลายอย่างอันแรกรู้ว่าขณะนี้มีโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างที่สองรู้ความจริงของโมหะว่าเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่แปลปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวตกอยู่ใต้ไตรลักษ เนี่ยเรียกว่ามีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่ใช่รู้แต่ว่ามีโมหะมาแต่รู้ความจริงของโมหะด้วยนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะเนี่อรู้ว่าราคะมาแล้วรู้ความจริงของราคะด้วยว่าเป็นไตรลักษณนั่นเองถ้าเมื่อไหร่เห็นรูปเห็นนามนะเห็นกิเลสมากิเลสไปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์นี่ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ หลายคนคิดว่ารู้รูปนามก็เป็นวิปัสสนาแล้วไม่เป็นนะอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยคือรูปนามแต่ต้องเห็นเป็นไตรลักษณ์อารมณ์ของสมถะไม่เลือกเลยอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์ทั้งหมดมันมี3ามชนิดคืออารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอารมณ์รูปนามคือกายกระใจนี้การนิพพานอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเอาไปทำสมถะได้ เช่นเราพุโทโธพุธโทโธไปหรือเราคิดพิจารณากายไปนี่เป็นอารมณ์บัญญัตนะิเป็นเรื่องราวที่เรายัางเจือด้วยความคิดอันที่สองเราเพ่งอยู่ที่รูปเพ่งอยู่ที่นามเป็นสมถะเช่นเราดูท้องพองยุบแล้วเราเพ่งใส่ท้องไว้นะมันก็คือการเพ่งกสินนั่นเองนะเพ่งธาตุดินนั่นเองเราไปเพ่งท้องไว้ก็คือการเพ่งก็คือสมถนะหรือเราไปดูจิตดูใจแล้วไปเพ่งใส่ความว่างไว้ก็เป็นสมถะนี่เพ่งนมามธรรม เป็นความว่างส่วนนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ของพระอริยะพระอริยะเวลาจะพักผ่อน่อเข้าพราสมาบัติเข้าผลสมาบัติพักผ่อนอยู่กับ น, นิพพานแต่จะอยู่ได้ชำมนี้ชำนานไหมก็คือได้พิจารณาถึงนิพพานบ่อยไหมอย่างพระโสดาสกิทาคารน์นี้เพิ่งเห็นนิพพานได้นิดๆหน่อยๆเห็น่า2แวบสามแวบเอง ยังไม่แม่นถ้าเห็นบ่อยๆแล้วแม่นก็อยู่ง่ายขึ้นงั้นอารมณ์ของสมถะนะไม่เลือกเลยอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้แต่อารมณ์ของวิปัสสนาเลือกนะเฉพาะอารมณ์รูปนามไม่เอานิพพานมาทําวิปัสสนาไม่เอาสมมุติบัญญัติคือเรื่องที่คิดมาทําวิปัสสนาเราะงั้นอย่างเราดูจิต ด, ดูใจของเราหลายคนมาบอกหลวงพ่อว่ารู้ทันความคิด คิดเรื่องอะไรหนูรู้โมเลยานี่ทาวิปัสนาล้ไม่ใช่นะไม่ใช่วิปัสนาถ้ายัางรู้เรื่องที่คิดอยู่เรียกว่ารู้บัญญัติแต่ถ้ารู้ว่าจิตกําลังแอบไปคิดอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสนารู้ทันจิตว่าจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตคิดเนี่ยเป็นวิปัสนานะรู้เรื่องราวที่จิตคิดเนี่ยเป็นสมถะอย่างมากที่สุดเป็นสมถะหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านไปเลยค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนธรรมะ จริงๆแล้วถ้าฝึกฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆสติเกิดนะสติจะเกิดคนที่ฟังหลวงพ่อสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเลยเนาะหรือฟังซีดีฟังไม่เรื่อยๆสติมันจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาเพราะหลวงพ่อพูดแต่สภาวะล้วนๆเลยธรรมะที่หลวงพ่อพูดนี่พูดแบบเทกระเป๋าพูดกันนะพูดจับใจเลยนะถ่ายทอดกันด้วยจิตด้วยใจเลยถ้าเราใจของเราไม่ดือ้อไม่ด้านเกินไปไม่อวดดีเกินไปไ ฟังไปเรื่อยๆฟังไปสบายๆถึงวันนึ่งเข้าใจธรรมะมันเข้าไม่ถึงใจเราสักทีเพราะเราโมจะคิดหรือเราปิดกั้นธรรมะไม่ให้เข้ามาสู่ใจเราเองเราตามรู้ใจของเราไปเรื่อยเราจะเห็นธรรมะนะธรรมะแสดงตัวอยู่ที่จิตใจเรานี่เองทั้งกุศลและอกุศลมันเกิดที่จิตใจนี่เองนั้นอยากรู้ธรรมะก็ตามรู้อยู่ที่จิตที่ใจนี่รัดสั้นมากเลย เดี๋ยวก็เห็นเลยกุศลเกิดกุศลก็ดับไปอกุศลเกิดอกุศลก็ดับไปกุศลก็เรียกว่ากุศลธรรมอกุศลก็เรียกอกุศลธรรมธรรมะก็อยู่ตรงนี้หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อไม่ได้เรียนจากท่านหรอกแต่ก็เคยเห็นท่านเคยเข้าไปวัดท่านสองครั้งไปดูท่านสอนหลวงพ่อชอบไปจารกรรมเขานะ สำนักต่างๆแนละ้ชอบเข้าไปเรียนอย่างเขไปดูอ่ะขอไปดูตัวอาจารย์น่ะว่าอาจารย์ภาวนาอย่างไงหลวงพ่อเทียนสอนโยมนะเต็มสลาเลยคนนะั้นสอนให้โยมขยับมือหลวงพ่อเทียนขยับไปตื่นตื่นเจิอจ้าเลยนะตื่นสบายรู้ลุกศิดเพ่งเอาเพ่งเอาไม่ก็คิดเอาคิดเอาขยับเหมือนอาจารย์เปียบเลยแต่จิตไม่เหมือนกันใช้ไม่ได้หรอก จิตไม่ได้มีสติจริงหลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ที่เก่งนะเก่งหลวงพ่อเทียนสอนธรรมะเด็ดๆแม่หนึ่งหลวงพ่อชอบมากเลยท่านบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติเนี่ยจิตวันนี้คิดไปล้วรู้สึกไหมจิตมันหนีไปคิดแล้วท่านสอนต่อบบอกการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุด กูศลอกูสน ส, สุขทุกนะดีชั่วอะไรทั้งหลายกระทั่งมรรคนิพพานเกิดที่จิตนะไม่ได้ไปเกิดที่ลมหายใจนะแต่ว่าบางคนดูเข้ามาที่ทจิตที่ใจเลยไม่ได้ไม่มีกําลังพอก็ไปดูกายก่อนกายเป็นบ้านของจิตเราหาเจ้าของบ้านยังไม่เจอเราก็ไปเฝ้าหน้าบ้านเขาดูอยู่ที่กายเนี่ย น, นั้นกรรมฐานเนี่ยอย่าให้เกินกายออกไปรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่จิตใจของเรานี้ กันเห็นเลยกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราดูง่ายมากนะแค่ฟังหลวงพ่อพูดแล้วสติเกิดจะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยนะเพราะว่าเป็นของง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราคนศาสนาอื่นก็เห็นได้ท่านว่าอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะงั้นละสักยติทิฐิไม่ได้มันยังเหลือว่าจิตเป็นเราอยู่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 มันไม่หยุดช้ากับเรานะหน้าที่เราฝึกสติของเรานี่แหละให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนทันสภาวะนะไม่ใช่หน่วงสภาวะเพื่อให้สติชา้าๆไปทันนั้นต้องค่อยๆตามรู้ตามดูนะสติสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนทั่งร่างกายขยับปั๊บสติรู้จิตใจเคลื่อนไหวปั๊บสติรู้รู้เองเลยนะนอนหลับอยู่พลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยอย่าว่าแต่ตื่นเลยรู้แล้วก็มีปัญญาใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไป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 ฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะหลวงพ่อมีซีดีให้ฟังหลวงพ่อเทศเหมือนกันทุกวันแหละแต่ฟังแต่ละวันความรู้ความเข้าใจของเราต่างหากที่ไม่เหมือนกันเนั้นฟังสิ่งที่หลวงพ่อเทศนะได้ซีดีไปสักแผ่นหนึ่งนะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วหัดสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆฟังไปแล้วก็สังเกตใจฟังรู้เรื่องขึ้นมาก็ดีใจฟังไม่รู้เรื่องงงงงงงรู้ว่างงงงรู้ว่างงก็ใช้ได้ละ สังเกตไปเรื่อยในสุดก็เข้าใจคำว่าเข้าใจก็คือคําว่าปัญญา น, นั่นเองสติเป็นตัวระลึกรู้ปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเช่นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาเป็นสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายไหลามาไหลไปนี่นี่คือปัญญาคือตัวเข้าใจพอเข้าใจแล้ววิมุตติจะเกิดขึ้นคือการปล่อยวางจะเกิดขึ้น วิมุตติเกิดแล้ววิมุตตยานทัศนาจะเกิดขึ้นเข้าใจถึงความหลุดพ้นแจมแจ้งในกองขันแจมแจ้งในนิพพานธรรมะมีเหตุมีผลนะไม่ใช่นั่งภาวนาแล้วขาสติเคลิม้มวูบหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกบรรลุแล้วนะตอนนี้วูบมาได้สามครั้งแล้วเป็นพระอนาคานังนั้นคาราคาสังนะไ ม, ไม่ใช่พระอนาคาขาดสติเป็นพระอนาคาไม่ได้ ต้องมีสติมากๆากเบอร์แปสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกแล้วใช่ไหมฟังแล้วใจไหลแวบแวบแวบนะเบอร์แปบบแบบหลวงพ่อให้การบ้านนิดนึงคุณยังติดการบังคับตัวเองอยู่ไปดูตรงนี้นะยังติดการบังคับตัวเองไว้ไปดูไว้แม่ชีรักสพรจิตมีโมหะนะอา้าแมวมัวไปดูแม่ชีรักสพรลืมตัวเอง จิตส่งออกนอกทางตาคนาที่นั่งกับแมวก็ส่งเหมือนกันส่งไปหาแมวม <c oughs> คุณเบอร์แปดบสามหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจไปคิดให้รู้ว่าใจเราไปคิดไม่ห้ามนะไม่ได้ฝึกห้ามเอี่ยงเป็นไงฮะ<า>ให้รู้ว่ามันนิ่ง นิ่งนี้อย่างของถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่นิ่งของจริงนิ่งนี้เป็นนิ่งที่คู่กับความไม่นิ่งว่างอันนี้คู่กับความไม่ว่างยังเป็นของคู่อยู่ไม่ใช่ของจริงอะไรที่เป็นของคู่ไม่ใช่ของจริงของจริงเป็นหนึ่งพุณธาพิชาติเป็นไงฟังนานชักง่วงแนละ้วมีโมหะแทกเมื่อ83ไปดูเขาเมื่อกี้เนี่ยลืมตัวเองหรือออกไหมเนี่ยหลงไปดูนะหลวงปู่ ด, ดูลเรียกว่าออกนอก คุณอภิชาตหนีวิคิดแล้วทราบไหมออดีขึ้นแล้วตที่กลับจากเมืองจีนดูร่อแรกเลย <c oughs> ค่อยดีขึ้นแล้วนยานิดเป็นไงยังทำอยู่มีโมหะด้วยดูออกไหมข้างหลังหน้าไม่รู้ชื่อด้วยไม่รู้เบอร์ด้วยเรียกไม่ถูก <c oughs> เบอร์สามสิบกำลังทำอะไรอยู่ ไม่ใช่ตอนที่หลวงพ่อถามเนี่ยรู้สึกไหมใจเรากําลังจาะเข้าไปที่ป้ายไหมใจเราไหลไปที่ป้ายให้รู้อย่างเงี้ยรู้ทันรู้ลงปัจจุบันนะแอบไปคิดแล้วเบอร์สาสทราบไหมใจไหลไปนะให้รู้ทันนะ mm hmm. คนนี้ฉลาดนะหลวงพ่อบอกไม่รู้ชื่อไม่รู้ป้ายนะรีบเอาป้ายมาติดนะ mm hmm. ตอนนี้ไล่จีละคนไม่ทันแล้วนะเยอะเกิน หลวงพ่อก็จนปัญญาไม่รู้จะช่วยยังไงนะช่วยตัวเองให้เยอะๆฟังซีดีไว้อ้ว น, นี้แค่นี้นะเดีย๋ยวหลวงพ่อต้องคุยกับพระหนะ่อยขอเวลา